พระเจ้าทรงทราบวาราจิตของภิสุแก่ทั้งสองรูปนั้นแล้วในขณะเสด็จออกจากสำนักของพระเร ว, วัดจึงทรงอธิษฐานบันดาลให้พิสุทั้งสองรูปนั้นลืมบริการบางอย่างคือหลอดน้ํามันลักจันน้ําและรองเท้าของตนของตนไว้เมื่อเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งจึงทรงคลายฤทธิ์พิกษุแก่ทั้งสองรูปนั้นจึงระลึกได้พูดว่าผมลืมสิ่งนี้ผมก็ลืมสิ่งนี้ ดันงนี้แล้วก็รีบกลับไปเอาบริขารด้วยความรีบร้อนเลือเลอจึงถูกน้ํำสแกแทงเจ็บปวดไม่ใช่น้อยพบพอสิ่งของของตนท้องตนแขวนอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งได้ของแล้วก็รีบกลับไปภิกษุทั้งสองรูปไม่เห็นเรือนยอดหรือเสนาสนะใดๆที่ตนอาศัยเลยเพราะเสนาสนะเหล่านั้นเป็นของเนรมิตเป็นสิ่งที่ท่านภูมิฤทธิบ์บรรดาลขึ้น เมื่อท่านคลายฤทธิ์สิ่งนั้นๆก็หายไปขณะกลับพระาศาสดาทรงใช้เวลาเดินทางประมาณเดือนหนึ่งเสด็จผ่านทางกันดารทรงอาศัยบุญของพระศรีวลีอีกเช่นกันเวลาสมเดือนที่พระสุคตเจ้าเสร็จไปเสด็จกลับและพักอยู่ณสำนักของพระเลวัตนทรงได้อาศัยบุญบา ร, รมีของพระศรีวลีโดยตลอดเสด็จกลับพระคอนสาวัตถีประทับณ บุพารามของนางวิสาขามิคารมาดามาถึงเมืองสาวธีแล้ววันรุ่งขึ้นภิกษุแกสองรูปดังกล่าวมาตื่นแต่เช้าล้างหน้าบวนปากและคิดว่าจะไปฉันยาคูที่นิเวศของนางวิสาขาจึงรีบไปแต่เช้าดื่มข้าวต้มที่วิสาขาถวายแล้วนั่งฉันของเคี้ยวอยู่วิสาขามาคุยด้วยเปียนถามท่านว่า ท่านผูเจริญท่านตามเสด็จพระาศาสดาไปสำนักของพระเรวัต ด, ด้วยมิใช่หรือไปอุบาสิกาที่อยู่ของพระเถระน่ารื่นรมหรือรื่นรมอะไรกันอุบาสิกาไม้สแกมีนามขาวเหมือนที่อยู่ของพุกเปรตระยะเวลาใกล้ๆกันนั่นเองมีภิกษุอีกสองรูปมาฉันยาขูดที่นิเวศของวิสาขา นางได้ถามถึงที่อยู่ของพระเย ว, วัตพระสองรูปนั้นกล่าวว่าน่ารื่นรมเลอเกินไม่อาจพรรณนาได้ครบถ้วนสง่างามประหนึ่งเทวสภาชื่อสุธรรมาเป็นเหมือนอาคารเนรมิตวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาผู้บลุโสดาปฏิผลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนางเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาแหลมคมเมื่อฟังพิสูจน์สองพวกที่ไปด้วยกัน แต่ว่าพูดไม่ตรงกันเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุสองพวกแรกคงจะลืมอะไรอะไรไว้กลับไปในเวลาที่พระเถระคลายฤติแล้วส่วนภิกษุสองรูปหลังนั้นคงจะได้เห็นสถานที่ตลอดเวลาที่พระเถระยังไม่คลายฤติตั้งใจว่าจะทูลถามเรื่องนี้กับพระศ า, าสดาเมื่อเสด็จมาและก็ต่อมาอีกครู่เดียว พระบรมศาสดามีภิกษุสองแวดล้อมเสด็จมาสู่นิเวศของวิสาขานางอังคาดพระพุทธองค์ด้วยความเคารพเปื่อมใสเมื่อพระองค์เสร็จภาฐกิจแล้วได้ถวายบังคมและถูนว่าพระเจ้าข่าภิกษุสองพวกที่ตามเสด็จพระองค์ไปสู่สำนักของพระเรวัต น, นพวกหนึ่งบอกว่าที่อยู่รกรุงรังด้วยน้ำสแกไม่น่ารื่นรมเลย แต่ว่าภิกษุอีกพวกหนึ่งว่ารื่นรมและเกินที่อยู่ของพระเวทเป็นฉนัยหนอพระาศาสดามิได้ตัดตอบโดยตรงแต่ตรัสเป็นทํานองเทศนาอันกรอบด้วยประโยชน์ว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือป่าที่รุ่มหรือที่ดอนก็ตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นก็เป็นที่น่ารื่นรมนั้นในการอยู่กับคนมาก พระอาหารหันต์ทั้งหลายแม้จะไม่ได้กายวิเวก ค, คือความสกัดทางกายแต่ว่าท่านย่อมได้จิตวิเวกเป็นแน่นอนส่วนอุปธิวิเวก ค, คือความสกัดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั้นท่านได้เป็นประจำอยู่แล้วได้อย่างเด็ดขาดไม่มีแ ป, ปรปลวนก่ามเริบมีความสง บ, บเยือก เ, เย็นเป็นประจำเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่หน้าที่ใดที่นั่นก็รื่นรม เพราะว่าจิตของท่านรื่นรมอยู่ด้วยธรรมอันไม่ทํากิเลสให้ฟูขึ้นการฟูของกิเลสแต่ละคราวเป็นความเร่าร้อนอารมณ์ต่างๆแม้ดุจทิพหรือเป็นทิพก็ไม่อาจทําจิตของพระอหรหันต์ให้วันไหวได้ความที่จิตไม่วันไหวนั่นแหละเป็นความประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสในโมโลคุลสูตรว่า จิตของบุคคลใดอันโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่วันไหวจิตนั้นของบุคคลนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้วันต่อมาภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันว่าสมณเณรเรวัดผู้เดียวแท้ๆที่สามารถทำเรือนยอดสำหรับเป็นที่พักของพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์จำนวนมากน่าอัศ จ, จริงสมณเณรเป็นผู้มีลาบมีบุญ น่าชมเชยจริงๆพระบรมศาสดาสเสด็จมาทราบความที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงกรัาวว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าเธอละบุญและบาปทั้งสองอย่างได้แล้วทรงย้ำอีกว่าผู้ใดล่วงพน้นเครื่องข้องทั้งสองอย่างคือบุญและบาปได้แล้วเราตถาคตเรียกผู้นั้นซึ่งไม่โศก ปลาสจากธุลีคือกิเลสแล้วบอริสุทธิ์แล้วว่าเป็นพราหมณ์ทั้งบุญและบาปทําบุคคลให้วนเวียนอยนู่ในวัฏฏะท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งสามคือกามาพบ้างรูปประพบบ้างอารูปประพบบ้างไม่อาจขึ้นสู่โลภุตระภูมิได้ในระดับหนึ่งบุคคลต้องอาศัยบุญบา ร, รมีเพื่อข้ามทางกันดานคือสังสารวัฏ ปราศจากบุญบารมีเสร็จแล้วไม่อาจข้ามได้แต่ว่าทรงแสดงธรรมทั้งหลายในฐานะเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่จุดมุ่งหมายดังพระพุทธภาสิต ท, ที่ว่าเราแสดงธรรมไว้ในฐานะคล้ายเรือนหรือแพสสำหรับข้ามฝั่งเพราะฉะนั้นจะว่าแต่อธรรมส่วนบาปเลยแม้แต่ทำส่วนบุญเราก็สอนให้ละเสียดังนั้นการกระทาของพระอราหันต์ทั้งปวง อยู่ในภาวะที่เหนือบุญเหนือบาปบางทีท่านทรงเรียกว่าบาปคือกรรมดําทรงเรียกบุญว่ากรรมขาวส่วนกรรมคือการกระทําของพระอราหันต์นั้นเรียกว่ากรรมไม่ดําไม่ขาวมีผลไม่ดําไม่ขาวในชีวิตของคนสามัญทั่วไปการกระทําต่างๆมักมีลักษณะเป็นสองประการคือว่าได้กับเสีย การได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใจถ้าพอใจยินดีก็เรียกว่าได้ถ้าไม่พอใจไม่ยินดีก็เรียกว่าเสียมีขึ้นมีลงแต่ว่าพระอรหันนั้นไม่ได้ไม่เสียไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่เหนือการได้และการเสียอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงตักเรียกพระอรหันว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้ว บุคคลที่ใช้เรือหรือแพสําหรับข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วย่อมทิ้งเรือหรือแพไว้ที่ฝั่งนั่นเองไม่แบกขึ้นไปด้วยฉัน้นใดสาวกของพระอริยะก็ฉะ น, นั้นอาศัยธรรมเป็นเครื่องข้ามฝั่งคือสังสารวัตรเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงเป็นผู้มีสติวางเฉยได้ตลอดไปพระเรวัตผู้มีปกติอยู่ณลงไม้สแกนี้ ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าคือเป็นเอตทะฆ า, าตในทางอยู่ป่าเพราะธรรมดาภิกษุทั้งหลายอื่นผู้อยู่ป่านั้นย่อมพิจารณาถึงความสะดวกอื่นๆเช่นเป็นป่าที่สะอาดรเรียบร้อยสะดวกด้วยน้ําสะดวกด้วยโคโจรคามที่ภิกษาจารย์แต่ว่าพระเลวัตไม่คํานึงถึงสิ่งเหล่านั้นเลยชอบอยู่ป่ารกคลุกคลา ไม่สนใจต่อความสะดวกสบายในป่าดังนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้น เป็นผู้ที่สนใจในการทำบุญทำกุศลสนใจการทำกิจอันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ของญาติทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ตลอดถึงผู้ที่เคยเป็นมิตรสหายในสมัยที่ท่านยังเป็นกคฤหัดอยู่ดังจะเห็นได้จากเรื่องต่อไปนี้วันหนึ่งท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมพราหมณ์ผู้เป็นลุงตอนหนึ่งข้าการสนทนาท่านถามลุงว่าท่านลุงได้ทาบุญกุศลอะไรบ้างหรือถามครับ ทำกุศลอะไรกระผมให้ทานด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนให้แก่ใครให้แกนิครนครับถ้าลุงปรารถนาอะไรหรือจึงทําอย่างนั้นกระผมปรารถนาโพรโมโลกถ้าลุงคิดว่านั่นเป็นทางแห่งโพรโมโลกหรือเชื่ออย่างนั้นครับใครบอกท่านพวกอาจารย์ของกระผมบอกพระเทระนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า ทานลุงท่านไม่รู้จักทางแห่งพรหโมโลกแม้อาจารและป้าจารของท่านก็ไม่รู้จักพรหโมโลกและทางแห่งการเข้าถึงพรหโมโลกก็ใครเล่าท่านผู้เจริญที่รู้จักพรหโมโลกและทางไปสู่พรหโมโลกนั้นพระศ า, าสดาของอัตมารู้ท่านลุงถ้าท่านประสงค์จะรู้ก็จงมาเถิดไปเฝ้าพระตถาคตกันทูลอารัตนา ให้พระองค์ทรงแสดงทางถูกต้องไปสู่พรมโรคพระมหาเทระอัครส า, าวกเบื้องขวาพาพราหมุผู้เป็นลุงไปเฝ้าพระตถาคตเจ้านเวรุวันวิหารพระมหาเทระเล่าเรื่องที่สนทนากับพราหมให้ทรงทราบโดยตลอดแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมการให้ทานเป็นของดีแต่ถ้าต้องการผลมากก็ต้องเลือกให ให้ในเขตบุญจะมีผลเจริญงอกงามมากเหมือนชาวนาผู้ฉลาดย่อมเลือกที่นาอันมีเนื้อดินดีปลาศจากหญ้าหรือพืชอย่างอื่นอันเป็นอันต ร, รายต่อต้นข้าวดูก่อนพลามหญ้าเป็นโทษเป็นอันต ร, รายของนาฉันใดสัตว์ทั้งหลายมีราคาโทสะและโมหะเป็นโทษเป็นอันต ร, รายฉันนั้นดังนั้น การหวานเพืชคือบุญลงในบุคคลผู้มีราคะโทสะและโมหะจึงมีผลน้อยส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะและปราศจากโมหะย่อมมีผลมากดังนั้นการเลือกให้จึงเป็นกิจที่พระสุคตทรสงสรรเสริญดูก่อนพราหมณ์การแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือการถวายอาหารเพียงทัพพีเดียว แกสาวกของเราผู้มีตนอันอบรมดีแล้วมีผลมากกว่าทานที่ท่านทำอยู่นั้นแม้ทำตั้งร้อยปีพราหม่ยการบูชาหรือการให้ทานด้วยทรัพย์พันหนึ่งพันหนึ่งทุกๆเดือนแก่คนผู้มีตนอันไม่ได้อบรมแล้วเป็นโลกิยะมหาชนหนานแน่นโดยกิเลสแม้ทําอยู่สักร้อยปีก็หามีผลประเสริฐไม่การได้เห็นการบูชา การให้ทานแก่ท่านภูมิตนอันได้อบรมดีแล้วปลาศสจากกิเลศแม้เพียงครู่เดียวย่อมอเนวยผลประเสริฐกว่าเป็นอันมากเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจบลงพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นได้ย่างลงสู่กระแสพระนิพพานอันไม่ตกต่ำอีกและสามารถทราบได้เองว่าตนยังต้องการพรหมโลกอยู่หรือไม่ ถ้าต้องการจะไปได้ด้ยวยวิธีใดผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียวบุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นด้วยจึงเป็นอยู่อย่างไร้ระเบียบวิ น, นัยประพฤติตามอำนาจกิเลสที่ครอบงำชักจูงประพฤติอคุศ ล, ลมูลคือโลภโกรธหลงอันมีปกติให้ผลเป็นทุกข์ เมื่อถูกความทุกข์บีบขั้นก็คลั่มครวญว่าทุกหนอทุกหนอทั้งทั้งที่เป็นอย่างนั้นก็หารู้ไม่ว่าความทุกข์เกิดจากสิ่งใดจึงทําอกุศลมูลเพิ่มขึ้นอีกความทุกข์ก็เข้มข้นขึ้นอีกเหมือนกันเขาได้แต่คลั่มครวญลำพันว่าทุกหนอทุกหนอการทําบุญให้ทานแกผู้ที่ทุศีลไร้ธรรมไม่ได้อบรมตนอย่างนี้มีผลน้อย สวนบุคคลผู้อบรมตนดีแล้วฝึกฝนตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และแพ้ในหมู่เทวดาในโลกนี้ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะมีสิ่งที่ประเสริฐอยู่ในตนความข้อนี้พระบรมศาสดาตรัสไว้แล้ว เพราะฉะนั้นในการให้ทานการบูชาและแม้เพียงการมองดูด้วยจิตที่เริ่มใสในท่านผู้มีตนนนั้นอบรมแล้วฝึกฝนตนดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่อํำนวยผลมากมีผลประเสริฐแท้จริงสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนะดาวดึงสเทวโลกนั้นพระองค์ทรงมีพระรัศมีอันเกิดจากพระบรารมีรุ่งโรจนเหนือเทพทุกมู่เรา อินทกะเทพบุตรมาเฝ้านั่งณนะพระพระัตเบื้องขวาอังกุระเทพบุตรนั่งณนะพระพระัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพภูมิศักย์ใหญ่พากันมาเฝ้าอังกุระเทพบุตรต้องถอยร่นออกไปจนไกลลิบส่วนอินทกะเทพบุตรคงนั่งเฝ้าอยู่ณที่เดิมนั่นเองพระบรมศาสดาทรงทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะยังบริสัทธ ให้ทราบความที่ทานอันบุคคลทำแล้วในบุคคลอย่างไรจึงมีผลมากในบุคคลอย่างไรจึงมีผลน้อยจึงตรัสถามอังคุระเทพประบุตรว่าอังคุระท่านเคยทำบุญทำทานมามากมายเป็นหมื่นปีบัดนี้ท่านมาสู่สมาคมของเราทำไมหนอจึงได้มีโอกาสนั่งไกลนับไกลกว่าเทพประบุตรทั้งปวง อังกุราเทพบุตรกราบทูลว่าฐานที่กบเจ้าทําแล้วมากแม้สิ้นระยะกาลนานก็จริงแต่ว่าทําในที่ว่างเปล่าจากทักษินยบุคคลทําในบุคคลผู้ไร้คุณธรรมจะมีผลประเสริฐได้อย่างไรส่วนอินทกาเทพบุตรผู้มีคุณอนาบูชาได้ทําทานแม้เพียงนิดหน่อยในท่านบูมีคุณอนาบูชาอย่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์บุดพระจันทร์ในหมู่ดาว เมื่ออังคุราเทพบุตรกราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาตรัสถามอินทกะเทพประบุตรว่าเหตุไรจึงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องถอยร่นไปเหมือนอังคุรเทพประบุตรเล่าอินทกะเทพประบุตรกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ทักในเยบุคคลในการให้ทานดุจชาวนาที่หวานพืชลงในนาดีพระองค์ผู้เจริญพืชแม่มากอันบุคคลหวานลงในนาดอน ผลย่อมไม่ไพยบูนไม่ยังชาวนาให้ปาราเปลื่มยินดีฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ชนผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพยบูนทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นพืชแม้น้อยอันบุคคลหวานลงในนาดีเมื่อพิรุณหลังสายน้ำลงถูกต้องตามการผลย่อมมากยังชาวนาให้ยินดีฉันใด ทานหรือสการะแม่เล็กน้อยที่ทายกทมแล้วในท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมย่อมมีผลมากทั้งยังทายกให้ยินดีฉะนั้นอินทกาเทพบุตรกราบทูลต่อไปว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ถวายภิกษาหารเพียงทัพีเดียวที่เขานำมาเพื่อข้าพระองค์แก่พระอนุรุทธะเทระสาวกของพระองค์ยังมีผลมากถึงเพียงนี้ พระสากยมุนีจึงตรัสเตือนอังคุระเทพบระบุว่าอังคุระการเลือกบุญญาเขตเสีก่อนแล้วจึงให้ทานจึงจะสมควรดูดพืชที่หวานลงในานาดีแต่ว่าเธอหาธรรมเช่นนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมาก ของพระสารีบุตรคนหนึ่งและเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งต้องการไปพรหมโลกอย่างลุงของท่านแต่วิธีทําไม่เหมือนกันคือหลานของท่านฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งทุกๆเดือนบูชาไฟส่วนสหายของท่านทําการบูชายันอย่างที่พรามทั้งหลายเขาบูชากันพระธรรมเสนาบดีได้นําทั้งสองไปเฝ้าพระทศพลหลานที่ฆ่าสัตว์บูชายันเดนละตัวนั้น พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เลิกการกระทำเชนั้นเสียโดยทรงให้เหตุผลว่าถ้าต้องการจะไปพรหมโลกก็ต้องประพฤติอย่างพรหมจึงจะไปอยู่ร่วมกับพวกพรหมเขาได้พรหมมีพรหมธรรมคือเว้นจากการเบียดเบียนแต่มีเมตตากรุณามีมุติตาและอุเบกขาต่อสัตรสัตว์ทั้งหลายกล่าวคือมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ปรารถนาความสุขความเจริญ นำความทุกข์ออกและนำความสุขเข้าไปให้วันใจต่อความเดือดร้อนของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความบันเทิงใจปราโมทเมื่อผู้อื่นที่รับความสุขและวางใจเป็นกลางเว้นอคติมีกรรมสักกายานคือความอย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนต้องเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้จึงวางเฉยเป็นอุเบกขาในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ ผู้ปรารถนาความเป็นพรหมหรือต้องการไปพรหมโลกในภาคหน้าต้องทำตนให้เป็นพรหมในชาตินี้เสียก่อนถ้ามีพรหมทำบริบูแล้วผู้นั้นชื่อว่ามีพรหมในตนมีตนเป็นพรหมแม้ในปัจจุบันนี้และโลกที่เขาอาศัยอยู่ก็กลับกลายเป็นพรหมโลกขึ้นมา ท, าทันทีต้อนองเดียวกันผู้มีจิตเด้าร้อนอยู่ด้วยกิเลสโลกนี้ก็เป็นนรกขึ้นมาทันที สำหรับพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรซึ่งทําการบูชายันตามลัทธิประเพณีของพราหมณ์ที่ทำกันอยู่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ใช้ปัญญาไตรตรองอย่างมีเหตุผลไม่ใช่สักแต่ทํตาตามกันมาอันใดที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและสัตว์อื่นก็ควรงดเว้นเสียอันใดเป็นไปเพื่อความสุขสมรณแก่ตนและผู้อื่น ก็ควรรักษาไว้แต่ทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปทรงยกตัวอย่างการฆ่าสัตว์บูชายันที่พวกพราหมณ์ถือว่าเป็นบุญยอดเยี่ยมนั้นที่แท้แล้วเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนถึงศูนย์เสียชีวิตซึ่งเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดของสรรพสัตว์ความเป็นจริงแล้วผู้ปรารถนาความสุขเพื่อตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น เพราะชีวิตของสัตว์อื่นก็เป็นที่รักของเขาเช่นเดียวกับชีวิตของเราซึ่งเป็นที่รักหวงแหนของเราการเบียดเบียนสัตว์อื่นจึงไม่ใช่วิธีที่ชอบธทำและไม่ใช่วิธีจะ ก, ก่อให้เกิดผลเป็นความสุขแก่ผู้กระทำเลยความไม่เบียดเบียนต่างหากเป็นยันที่ครบูชามีเรื่องวุ่นวายน้อยไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเพียงแต่พดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นเท่านั้น แต่มีอริสงภัยสารเป็นทานชนิดหนึ่งเหมือนกันคืออภัยทานการให้ความไม่มีภัยแก่ชีวิตคือให้ความปลอดภัยต่อชีวิตของสัตว์อื่นนั่นเองโมเว้นได้ดังนี้สัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันได้อย่างสันติสุขไม่ต้องหวาดระแวงภยัยข้อที่พวกพรามทั้งหลายเชื่อว่าการฆ่าสัตว์หรือการฆ่าคนบูชายันแล้วเทพเจ้าจะโปรดปราน ผู้บูชาจะพ้นจากบาปทั้งหมดที่เคยทำมาตั้งร้อยชั่วคนนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่มีโทษมหันและเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้อื่นถ้าการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนบูชายันมีอนิสง์มากจริงแล้วะนัยพวกพราหมณ์จึงมีข้อบัญญัติห้ามอย่างเห็นแก่ตัวว่าห้ามเอาคนในวันหนพราหมณ์ไปฆ่าบูชายันเล่าดูก่อนพราหมณ์ ระตถ า, าคตเจ้าตรัสณเมืองราชเกลือนี่เองที่หมู่บ้านใหญ่มีชื่อว่าขานุมัตตะซึ่งพราหมณ์กูตะทันตะเป็นผู้คลองเขาได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคตให้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนั้นคราวหนึ่งกูตะทันตะพราหมณ์เตรียมการบูชายันโดยใช้โคเจ็ร้โคตัวผู้เจ็ดร้อลูกโคตัวเมียเจ็ดร้อย แพะเจ็ดร้อยแกะเจ0ดร้อรวมเป็น 3,500 ตัวนำเข้าไปผูกไว้กับหลักเพื่อฆ่าผู้ชายันลองคิดดูเถอะว่าสัตว์จำนวนเท่านี้จะต้องถูกฆ่าพร้อมกันในที่เดียวกันควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจกิจสักเพียงใดเวลานั้นพระสถาโกโคจ้าเดินทางมายังหมู่บ้านขานุมตะพร้อมกูตะทันตะมาเฝ้า ถามถึงยันที่มีผลมากพระตราคตุตเจ้าได้แนะนำให้เลิกการเบียดเบียนสัตว์รรเสียแต่ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์แทนเขาเชื่อฟังเลื่อมใสแสดงตนถึงพระธนไตรายตลอดชีวิตได้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นตถาคตจึงกล่าวว่าตถามคตไม่ได้ติเตียนยันทุกชนิดและไม่ได้สรรเสริญยันทุกชนิด ยันใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตถาคตไม่สรรเสริญยานนั้นแต่ยันใดไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่กันและกันตถาคตสรรเสริญยานนั้นพระบรมศาสดาตรัสตอไปว่าบุคคลใดพึงบำเพ็ไฟในป่าตั้งร้อยปีการบูชานั้นของบุคคลนั้นหาประเสริฐใหม่เสียเวลาเปล่า ส่วนบุคคลผู้บูชาท่านผู้บีต น, นั้นอบรมดีแล้วเพียงผู้เดียวแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นของผู้นั้นประเสริฐกว่าผู้มุ่งบุญทําการบูชายันและบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดปีการทําอย่างนั้นไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์ได้ผลไม่ถึงหนึ่งในสี่ของการอภิวาสตอบน้อมในท่านผู้ซื่อตรงไปอย่างพระนิพพาน ในการจบพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ผลปรากฏว่าพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรพร้อมทั้งพราหมณ์ผู้เป็นสหายของท่านได้บรรลุโสดาปิผลเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่หันหลังให้กับการบูชายันและการบวงสรวงแบบพราหมณ์อย่างเด็ดขาดนี่ก็เป็นการอนุเคราะห์ของพระธรรมเสนาบดี ดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกหรือสัตว์ตวโลกทั้งมวลพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้เจาะจงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าแผ่ปกคลุมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่นั้นก็ได้ทรงช่วยเหลือชีวิตคนและชีวิตสัตว์ได้เป็นจำนวนมากเหลือจกคานาได้แม้เมื่อพระองค์นิพพานแล้ว ผู้ที่เริ่มสยในคําสอนของพระองค์ก็ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เปลียนเบี่ยนสัตว์ตั้งแต่นั้นมามาจนกระทั่งบัดนี้เป็นจํานวนประมาณไม่ได้สมพระนามว่าสุขโตสเส ด, ดไปดีสเสด็จไปที่ใดก็อํานวยสุขสวัสดิ์ให้แก่มวลชนที่นั่นแม้พระธรรมของพระองค์ก็เป็นสุขโตเหมือนกันกล่าวคือพระธรรมอยู่กับคนใดไปกับคนใด สถิตยอยู่ที่ชุมชนใดก็ยังบุคคล น, นั้นและชุมชนนั้นให้ประสบความสุขความร่มเย็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ไว้เป็นจำนวนมากน่าปลาบปลื้มและน่าอัศจรรย์คือคืนหนึ่งพระเจ้าเปร์เซนที่ราชาแห่งแคว้นโกสลได้ทรงสดับเสียงประหลาดน่าสะพึงกลัวในมัชิมยามแห่งราตรีทรงสดับเสียง แต่ไม่ทรงเห็นสิ่งใดทำให้พระองค์ทรงพร่านพลึงเป็นอันมากเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงปรึกษากับรา ช, ชปุโรหิตปุโรหิตผู้โง่เขลาไม่มียานพอจะตัดสินปัญหานี้ได้แต่ทำเป็นอดรู้ได้ทูลพระราชาว่าเสียงนั้นบอกเหตุแห่งอันตรายต่อชีวิตของพระราชาให้พระองค์ทาการบูชายานเสียจึงจะปลอดภัยได้ ในการบูชายันครั้งนี้จะต้องใช้ชีวิตสัตว์นานาชนิดรวมทั้งชีวิตเด็กหญิงและเด็กชายด้วย